นาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนั์ในโลกนั้นผู้ที่กระทำได้ตามนั้นก็ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะทุกโทมนั์อุปายาตอีกต่อไปถ้าใครที่ทำได้ตามนี้ก็เป็นผาหันสิเนาะก็ดูผาหานก็ปริเพปานนล้เนี่ย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 บัตรนี้เป็นกาลปรินิพพานแห่งข้าพระองค์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนทัพพระเธอจงสําคัญเวลาอันควรณบัตรนี้เถิดพระองค์ก็ไม่ห้าม น, นะไม่ห้ามและก็ไม่ใช่รีบไม่ใช่บอกรีบไปเถอะหรือว่าห้ามให้อยู่ก็ไม่ใช่บอกว่าสําคัญเวลาอันควรณบัตรนี้เถิด ลำดับนั้นท่านพระทัพพระมรบุตรลูกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาตนั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์อยู่ในอากาศกลางหาวออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็ปรินิพันธ์เมื่อท่านพทัพพระมรบุตรเหาะขึ้นสู่เวหาตนั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์อยู่ในอากาศกลางหาว ออกจากสมาบัติแล้วก็ปรินิพานสรีระถูกไฟเผาไหม้อยู่คิเท่าก็ไม่ปรากฏขม่อก็ไม่ปรากฏเหมือนเนยใสยหรือน้ามันที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่คิเท่าก็ไม่ปรากฏเลยขเมเอวก็ไม่ปรากฏฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ารูปคือรูปประคันเนี่ยนะได้สลายแล้ว รูปรูตปะชะไม่รูปมีลักษณะที่สลายไปสัญญาก็ดับแล้วเวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือขันห้าดับเกลี้ยงแล้วนะเพราะว่าแต่ขันห้าเหล่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ดับอวิชชาตัหาอุปาทานกรรมที่เป็นเหตุแห่งขันห้า ตอนต้นนี้ด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรคเนี่ยนะทำลาย อ, าอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมที่เป็นเหตุสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเมื่อดับต้นเหตุคืออวิชชาตันหาอุปาทานกรรมได้หมดแล้วเนี่ยนะตอนท้ายรูปก็สลายสัญญาก็ดับเวทนาก็เย็นสังขารก็สงบวิญญาณก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าพระอรหันต์ปรินิพพาน จึงอยู่ท่านผู้มีอายุนั้นได้บำเพ็ญอภินิหารเอาไว้แทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระปกติแล้วท่านก่อสร้างบุญไว้ตลอดแสนกับนะสั่งสมบุญมาแสนกลับนะแล้วก็บังเกิดในพระคันของพระราชเทวีแห่งเจ้ามาละในกาละแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเวลาที่ตนมีอายุได้เจ็ดขวบโดยกําเนิดจึงเข้าไปหามารดาบิดาขออนุญาตบรรปชา เพราะค่าที่ตนได้สร้างบุญญาที่การเอาไว้ขนาดพ่อแม่เป็นพระราชานะัยังขอบวชเลยฝ่ายบิดามารดาทั้งสองนั้นก็อนุญาตว่าลูกเอยเจ้าบวชแล้วก็จงศึกษาในอาจาระถ้าลูกไม่ยินดีในการศึกษาอาจาระนั้นลูกก็จงกลับมาในที่นี้อีกพ่อแม่ก็ใจถึงเหมือนกันนะเออตามใจลูกก็แล้วกันไม่ขัดใจลูกหรอกบวชก็บวชนะลูกลูกบวชกลับบวชอยู่ไม่ได้ก็กลับมาบ้านก็แล้วกัน เธอนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอบรนปรชาฝ่ายพระาศาสดาทรงตรวจดูความสมบูรณ์แห่งอุปนิสัยของเธอก็ทรงอนุญาตในการบรรปชาในเวลาเธอบรรปชาเนี่ยนะพบสามปรากฏแก่เธอเหมือนไฟติดทั่วลุกพลงตามโอวาทที่พระาศาสดาทรงประทานแล้วก็เริ่มตั้งวิปัสนาบรรลุพระ้าหันในขณะจรดปลายมีดโกนทีเดียวเรียก ว, ว่าโกนผมก็บรรลุแล้วเนี่ยนะ เพราะว่าสังสมบูรณมาแสนกลับแล้วนะเธอบรรลุธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกทั้งหมดพึงบรรลุมีอะไรบ้างวิชาสามปฏิสัมพิทา4อีอภินยาหโลกุตระธรรมเก้าเธอได้ถูกจัดเข้าภายในบรรดาพระมหาสาวกแปดสิบรูปนี่นะอ ย, นอยู่ในอยู่ในอสีติเลยนะพระท่าพะมรบุตรเนี่ยบรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยนะโกนผมก็บรรลุแล้วเนี่ยนะแหมมีบุญสะอย่างทำอะไรก็สบายใช่ไหมถ้าไม่มีบุญนี่สิ ปัญหาว่าบวช ต, ตั้งแต่เจดขวบยัน80ดสิบก็ยังไม่บรรลุเลยนะถ้าบุญน้อยเนี่ยก็ตรงกันข้ามหมดอะ่ะเนี่ยนะโคนผมทั้งหมดมีดโกนไม่รู้กี่ใบแล้วเพราะฉะนั้นท่านพระเออท่านได้กล่าวไว้ว่าเราทําให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์โดยอายุเจ็ดขวบแต่กําเนิดเราได้บรรลุธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุได้ทั้งหมดเนี่ยนะเว้นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าซะคุณธรรมของสาวกท่านมีทุกอย่างอ น, นะ ก็แสนกลับแล้วนะสังสมบูรณ์มากของเรานี่เริ่มครั้งที่กลับที่เท่าไร่แล้วเนี่ยกลับสุดท้ายแล้วเนาะใช่กลับสุดท้ายเริ่มนับเมื่อไหร่เริ่มนับเมื่ อ, อกี่วันนี่แหนะก่อนหน้านี้เจริญแต่อวิชชาแต่ปรารถนาบรรลุเร็วงนงรู้嘛มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งท่านผู้มีอายุคำว่าผู้มีอายุตรงนี้เนี่ยเป็นคําที่ใช้กับระดับครูอาจารย์นะ อัยสมาตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะท่านก็ไปเที่ยวบินธบาตในกรุงราชครืก่กลับจากบินธบาตภายหลังพัดแสดงวัดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงไปสู่ที่พักกลางวันถือเอาน้ําจากหม้อน้ําล้างเท้าทั้งสองข้างทําตัวให้เย็นปูลาดท่อนหนังแล้วก็นั่งกําหนดเวลาเข้าสมาบัติลําดับนั้นท่านผู้มีอายุออกจากสมาบัติตามเวลาที่กําหนดแล้วตรวจดูอายุสังขารของตน อายุสังขารเหล่านั้นของเธอก็สิ้นไปแล้วปรากฏเพียงชั่วครู่เล็กน้อยเธอคิดว่าข้อที่เราไม่กราบทูลพระศาสดาไม่ลาเพื่อนสะพพรมจารีหรือไม่บอกให้เพื่อนสะพพรมจารีทราบนั่งปรินิพานในที่นี้แหละไม่สมควรแก่เราเลยมันก็ต้องลาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ก็ยังอยู่ น, นะบอกเพื่อนพรมจารีหน่อยก็เลยฉะนันเนอะเราพึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ให้พระองค์อนุญาตการปรินิพานเสียก่อนแล้วแสดงวัดแก่พระศาสดาเมื่อจะประกาศอิทธานุภาพของเราเพื่อจะแสดงว่าพระศาสนาเป็นเหตุนําสัตว์ออกจากทุกข์เนี่ยนะพระศาสนานี่นะคือศาสนาคือศิกขาสามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นนิยานิกรธรรมเป็นธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกข์ได้ก็นั่งในอากาศเข้าเตโชธาตและปรินิพาน เมื่อเป็นเช่นนี้เราชนผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสในเราก็จะเกิดความเลื่อมใสเคอท่านพระทัพพระมัรบเนี่ยนะท่านก็เป็นคนมีกรรมอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันทั้งๆที่ท่านบรรลุตั้งอายุเจ็ดขวบตอนท่านเป็นหนุ่มเนี่ยมีคนหาเรื่องตลอดพระชาพคีหาเรื่องตลอดท้าว่าพระทัพพระมรบเนี่ยยุ่งกับผู้หญิงตลอดเลยมันก็จะหาเรื่องโจทย์พระทัพพระมัรบุตรไปเห็นแพะสมสู่กันก็บอกว่ า, วานั่นอ่ะทัพพระมรบุตรสมสู่แล้วเนี่ยนะก็หาเรื่อง เป็นเป็นที่มาให้พระพุทธเจ้าบัญญัติสังขารทิเศทั้งสองศิขาบทว่าไปโจดไปโจดภิกษุอื่นว่าเป็นปราชิกนี่ก็เป็นอบัติสังขาธิเศตโดยที่ไม่มีมูลหรือหาเล่อย่างอื่นมาโจดภิกษุอื่นว่าเป็นปราชิกก็เป็นอบัติสังขารทิเศตเนี่ก็เพราะว่ากรรมเก่าของท่านเป็นปัจจัยคือพรัทธะอดีตชาติท่านเคยไปกล่าวตูผู้อื่นไว้ทั้งๆที่ไม่เป็นปราชิกว่าเป็นปราชิกพั้นตอนหลังท่านก็ถูกกลุ่มพระชพคีเนี่ย กล่าวตู่อยู่หลายครั้งเนี่ยนะตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่ามีในอธิกรณสมถะอยู่ข้อหนึ่งเรอให้สติวินัยแก่แก่พระอรหันต์เพราะว่าต่อไปใครห้ามโจทย์ท่านเด็ดขาดเนี่ยนะนี่เพราะว่าท่านก็พระชาพัีเนี่ยหาเรื่องวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยหลายครั้งท่านก็ไม่เป็นที่เลื่อมใสของชนไม่ใช่น้อยเพราะว่าคนนี้มันยุขึ้นใช่ไหมแย่ก็ขึ้นตอนหลังท่านก็เพื่อที่จะรักษาศรัทธาของเหล่าชนที่ ที่มีศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็พวกที่ไม่มีศรัทธาก็จะได้มีศรัทธาข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านเหาะปรินิพานน่นะเหาะปรินิพานแล้วก็ทำให้เกิดเตดโชธาตขึ้นในท่านบนอากาศบทว่าปรินิพานะกาโลเมความว่าพระท่าพระตรแสดงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า กาละเป็นที่ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุได้ปรากฏแก่ข่าพระองค์แล้วข่าพระองค์ประสงค์จะกราบทูลการปรินิพานนั้นแล้วจะปรินิพานแต่ว่าอาจารย์บางท่านก็อาจารย์บางพวกก็มีมติมีมีความเห็นว่าพระเถระยังไม่แก่ยังไม่ป่วยไม่ไข้ก่อนแต่ท่านทูลลาปรินิพานเพราะ ภิกษุพวกเมตยะกับภูมิัชกะก็คือกลุ่มฉัพพคีนี่นะได้พากันโจด ท, ท่านด้วยอาบัติปราชิกไม่มีมูลเมื่อที่ก่อนนั้นสงบไปก็ยังด่าอยู่นั่นแหละถูกด่าหาเรื่องมาตลอดเลยฝ่ายปุตุชนอื่นก็เชื่อคำของภิกษุเหล่านั้นก็เลยพากันไม่ทำความเคารพแล้วก็ทำให้พากันไม่เคารพแล้วก็ดูหมิ่นพระทัพพระ เพราะภาระคือทุกอันนี้ไร้ประโยชน์จะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราจักปรินิพานในบัดนี้ก็เลยไปทูลลาพระพุทธเจ้าอันนี้ก็บอกว่าแคร์ว่าอาจารย์บางพวกกลุ่มนี้เขาถือว่าเหมือนกับว่าท่านเบื่อหน่ายในสังขาร น, นนะถูกเขาหาเรื่องบ่อยก็ปรินิพานหมดเรื่องหมดราวบอกอันนั้นไม่ใช่เหตุหรอกไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระขีนาศพทั้งหลายเมื่ออายุสังขารยังไม่สิน้นย่อมไม่จงใจพยายามเพื่อจะ เพื่อจะดับวิบากกรรมชรูปเนี่ยนะท่านไม่ทำเด็ดขาดเพราะกลัวคนอื่นจะว่าร้ายเป็นต้นและไม่ดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุคนเราอื่นสันเสริญเป็นต้นคือพาดหาันรปรินิพานไม่ใช่คนอื่นเพราะคนอื่นแช่งไม่ได้อยู่อายุยืนขึ้นเพราะคนอื่นชมท่านก็อยู่ตามสมควรแก่อายุไขเท่านั้นท่านไม่ได้อยู่นานเพราะคนมาขอร้องให้อยู่นานแล้วก็ไม่ใช่รีบปรินิพานเพราะคนมาเที่ยวดา โดยที่แท้พระขีณาสพคือผาดหันเหล่านั้นทั้งหมดรอสิ้นอายุสังขารของตนพร้อมด้วยกิจของตนนั่นแลอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเราไม่หวังความตายไม่หวังความเป็นอยู่แต่รอเวลารเราหับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์อยู่ในที่นั้นๆกับพระองค์บำเพ็ญมาตลอดแสนกับ หมายเอาประโยชน์นี้เท่านั้นจึงได้บำเพ็ญประโยชน์นี้นั้นถึงที่สุดแล้วในวันนี้นี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายานะทำบุญตั้งความปรารถนามาตลอดแสนมหากัาบเพื่อรอวันนี้แหละวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่สำเร็จสมความประสงค์ทั้งหมดในครั้งนั้นพระเถระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณสามรอบยืนอยู่ณนะที่สุดข้างหนึ่งกราบทูลว่า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 บรรดาพิษุปุตุชนภิสุผู้โสดาบันและพระสกะทาคา ม, มีในที่นั้นบางพวกก็มีความกรุณาอย่างใหญ่หลวงบางพวกก็ถึงความร้องให้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของเธอและตรัสว่าดูก่อนทัพพระถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่เราและแก่ภิกสุสงในขณะนั้นนั่นเองภิษุสงทั้งหมดประชุมกัน ท่านพระทัพพระมาลบทเนี่ยนะก็แสดงปาฏิหาริย์ทั้งหมดอันทั่วไปแก่พระสาวกเช่นแสดงหลายคนอ่แสดงคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้เนี่ยนะก็แสดงอิทธิอะไรนะอิทธิปาฏิหารินั่นเองหลังจากนั้นก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเหาะไปในอากาศอีกเนรมิตแผ่นดินขึ้นในอากาศนั่งขัดสมาธิในอากาศนั้นทำบริกรรมด้วยเตโชกสินเข้าสมาบัติออกแล้วก็รำพึงว่า รำเพงถึงร่างกายแล้วก็เข้าสมาบัติอีกอธิษฐานเตโชธาต์อันยังกายให้ไหมแล้วก็ปรินิพานพร้อมด้วยการอธิษฐานร่างกายทั้งหมดจึงได้ถูกไฟเนี่ยลุกติดทั่วในขณะนั้นนั่นเองเพลิงนั้นได้เป็นเหมือนเพลิงประจํากับไม่สังขารเพียงอนุหนึ่งก็ดีสังข์เป็นขมเหล็กก็ดีไม่เหลืออะไรอะไรในสังขาร น, นั้นไว้เลยด้วยพลังแห่งอธิษฐานแล้วปรินิพานแสดงว่าไม่ให้เหลือแม้กระทั่งพระาธาตุ เผาหมดเกลี้ยงเลยนะเหมือนน้ำมันที่ที่ระเหยเมาไม่ไปหมดเลยนั่นก็เลยปรินิพานด้วยผวังกจิตนะปรินิพานด้วยภวังกจิตก็จุติจิตของพผ้ารหารก็ดับหมดเลย น, น, นะบอกว่าสิ่งทั้งหมดได้อันตรทานไปในขณะนั้นนั่นแลด้วยพลังแห่งการอธิษฐานถามว่าพเพราะเหไรพระเถระจึงแสดงปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุสธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้าม การทําอิอทธิปาฏิหาริย์ไว้ไม่ใช่หรือข้อนี้ไม่พึงทักท้วงเพราะพระองค์ตรัสห้ามการทําปาฏิหาริย์ต่อหน้าเครือข่าทั้งหลายและข้อนั้นพระองค์ตรัสห้ามโดยอํานาจการแสดงฤทธิ์ต่างๆไม่ตรัสห้ามการอธิษฐานก็ท่านผู้มีอายุนี้อันพระธรรมสามีคือพระพุทธเจ้าตรัสสั่งก็แสดงปาฏิหาริย์ได้พระองค์ทราบการที่ท่านทัพทัพพร ะ, ะ, พะมรรปริญิพานด้วยอนุปาทิเสสาริพานอย่างนี้แล้ว ก็ตรัสว่าตรัสเป็นคาถาในอุทานว่ารูปปกายได้สลายแล้วสัญญาดับเวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบวิญญาณก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ก็สรุปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนั่นแหละคำว่าอาเพทิกายโยเนี่ยนะรูปปกายรูปปกายนี่เจริญด้วยสันตติสใช่มสันตติสีมีอะไรบ้างกรรมสัน ต, ติ จิตตะสัน ต, ติอาหารสันตติและอุตุสันตตินั่นแหละนะก็คือกายที่มีสมุทฐานสี่กรรมจิตอุตุและอาหารกายเหล่านี้แบ่งเป็นภูตรูปและอุบบาทายรูปทั้งหมดถึงความอันตรทานไปโดยไม่มีส่วนเหลือถือถึงความไม่เกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดานะสังข า, ารูปประขันของพระท่าพระมาลบุตรเนี่ยนะรูปเหล่านี้เนี่ยนะปุุปกติแล้วปุทุชนทั้งหลาย ทิ้งรูปเหล่านี้แล้วถือเอารูปอันใหม่ด้วยอำ น, นาจอาวิชาตันหาและกรรมพระทภาพาาระมรรบนั้นทิ้งเลยเนะทิ้งเลยก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือเอาใหม่ไม่ใช่ว่าไปเสนอตัวในภพสามกำเนิด4คติหวิญญาณที่ตีเสัตว่าเ9ไม่เอาอีกต่อไปครับปฏิเสธกายและไม่เอาแล้วเพราะตัดต้นเหตุเนี่ยนะตัดต้นเหตุที่จะสร้างรูปขึ้นแล้วท่านทิ้ง ตาแล้วก็ตานี้ไม่ถือเอาตาใหม่อีกต่อไปทิ้งหูนี้แล้วก็ไม่ถือเอาหูใหม่อีกต่อไปทิ้งจมูกเหล่านี้แล้วไม่ถือเอาจมูกใหม่ต่อไปทิ้งลิ้นนี้แล้วไม่ถือเอาลิ้นใหม่ทิ้งกายนี้ก็ไม่ถือเอากายใหม่นะทิ้งผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่ถือเอาอันใหม่อีกต่อไปเรียกว่าตัดต้นเหตุเนี่ยนะเพราะว่ารูปเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาตันหกรรมอาหารเกิดขึ้น แล้วก็นิภพาติลักษณะถ้ารูปจะดับโดยเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะถ้าวิชาดับตันหาดับกรรมดับอาหารดับรูปก็ถึงความดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือนิโรธ่สัญญาสัญญาทั้งหมดไม่ว่าสัญญานั้นจะเป็นรูปประสัญญาสาัทธสัญญาคันธะสัญญาระสะโพทะพะและธรรมะสัญญาสัญญาทั้งหมดเหล่านั้นก็ถึงความดับเนี่ยนะ ดับไม่มีเหลืออีกแล้วนี่ยนีโรธท็กก็คือดับเพราะว่าตัดต้นเหตุเนี่ยนะเพราะสัญญาจะดับเพราะอะไรดับเพราะอวิชชาดับสัญญาดับตัณหาดับสัญญาจึงดับเพราะกรรมดับสัญญาจึงดับพัสสะดับสัญญาจึงดับแล้วก็วิปริณารรมมันสัญญาก็ดับเพราะว่าดับต้นเหตุแห่งสัญญาเรียบร้อยแล้วเวทนาสีติพวิงสุสภาได้แก่เวทนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่ชาติวิบากหรือชาติกิริยา ก็เป็นธรรมชาติเย็นเพราะไม่มีความกระวนกระวายแห่งเวทนาแม้ประมาณเท่าอนูอันหนึ่งเพราะดับสนิทด้วยการดับปฏิสนธิหรือว่าหาปฏิสนธิไม่ได้แต่กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาถึงความดับสนิทในขณะแห่งอรหั ต, ตผลทีเดียว น, นะกุศลเวทนาอากุศลเวทนาของพระทัพพระมรบุตรเนี่ยนะดับถูกดับตั้งแต่ไหนดับตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วเนี่ยนะตั้งแต่บรรลุเป็นพระทหารก็ดับกุศลเวทนาและ อกุศลเวทนาเด็ดขาดส่วนตอนปริณิพานก็ดับวิบากเวทนาและกิริยาเวทนาเวทนาดับเพราะอะไรดับเพราะอาวิชชาดับเพราะตัณหาดับเพราะกรรมดับเพราะพัสสะดับเวทนาก็ดับบทว่าวูปสัส밍สุสังขาราธรรมะคือสังขารขันไม่ว่าจะเป็นพัสสะ เจตนาเอกคัตาชีวิตินทรีย์มณสิการวิตตกวิจารณทิโมกวิริยะปีติฉันทะศัทธาวิริยะสติเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นสังขารขันสังขารเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะต่างโดยชาติวิบากหรือกิริยาก็ถึงความสงบคือดับไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับถ้าตัณหาดับสังขารก็ดับถ้ากรรมดับสังขารก็ดับถ้าภาษาดับสังขารก็ดับวัจนูติจิตของพระฐานดับปั๊บก็ สัญญาสังขารขันทั้งหมดก็ถือว่าถูกตัดเชื้อเชื้อนี่ถูกตัดมานานแล้วเนี่ยนะถูกเชื้อนี่ถูกตัดตั้งแต่อายุเจดขวบแล้วแต่ว่าร่างกายเหล่านี้ดํารงอยู่ได้จิตเจตสิกก็ดํารงอยู่ในชาติกิริยาเท่านั้นแนหะเมื่อสาเหตุหรือสมุธฐานถูกตัดไปตั้งแต่ต้นแล้วก็รอวันเรียกว่ารอวันรับค่าจ้างพระหันถือว่าการปรินิพานคือการรับค่าจ้างรางวัลสูงสุดของชีวิตในวัฏฏะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าแบบ ก็ถามว่าถ้าใครไปผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกจากตัวเนี่ยดีใจหรือเสียใจก็ดีใจเมื่อใดที่เราเห็นว่าขันห้าคือโรคโรคาโตจริงๆเนี่ยนะถ้าดับโรคได้จริงก็สุขจริงอะ่ะว่างั้นแต่ว่าสําคัญก็คือปัญหาว่าต้องดับที่เหตุนะไม่ใช่ว่าดับที่การฆ่าตัวตายเนี่ยนะบทว่าวิญญาณังอัฏฐฆมานาเออขออัฏฐอัฏฐฆมา อัถมาคมาเนี่ยนะความว่าวิญญาณทั้งหมดต่างโดยวิบากวิญญาณและกิริยาวิญญาณก็ถึงการตั้งอยู่ไม่ได้คือปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะจะดำรงได้ก็อาศัยนามรูปถ้านามคือเวทนาสัญญาสังขารดับไปแล้วปฏิสนธิกรมัชรุก็ไม่เกิดปฏิสนธิจิตมันจะมีมาจากไหนจิตทั้งหลายมันแขวนอยู่คนเดียวไม่ได้เนนะเมื่อดับวัตถุดับอ่าดับวัตถุ ดับสัมปยุตธรรมได้หมดแล้วจิตก็ถึงถึงกวนดับเพราะนปฏิสนธิในภพใหม่จึงไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งอุทานอันเปล่งออกด้วยกำลังแห่งปีติเพราะอาศัยความที่ขันห้าของท่านพระทัพพระมลบตทดับสนิทด้วยการดับหาปฏิสนธิไม่ได้เหมือนไฟที่หมดเชื้อฉนั้นงั้นพระทหารตายแล้วก็ศูนย์สิใช่ไหม ภ้าหานตายแล้วศูนย์ใช่ไหมภ้าหานตายแล้วศูนย์เนี่ยเอ้าก็ดับหมดอะไม่เห็นเหลือเลยเนี่ยศูนย์ใช่ไหมอ้าไม่ศูนย์ภ้าหานก็เที่ยงสิเข้าไปถึงความเที่ยงแล้วตกลงยังไงตอบให้ดีนะให้มารายงานทีละคนสรุปตกลงว่าผ้าหานตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดอีก อะไร bon คืออรหันต์ถ้าข้างคำถามว่าอะไรคือผ้าอรหันต์รูปใช่ไหมคืออรหันต์เวทนาใช่ไหมเป็นอรหันต์สัญญาใช่ไหมเป็นอรหันต์สังขารใช่ไหมเป็นอรหันต์วิญญาณใช่ไหมเป็นอรหันต์กุศลจิตใช่ไหมเป็นอรหันต์อกุศลจิตหรือเป็นผ้าอรหันต์เพราะคําว่าอรหันต์เนี่ยเป็นโวหารคาถาบุคคลผู้เป็นอรหันต์เนี่ยนะแต่หมายถึงว่าขันห้า โดยเฉพาะสังขารขันที่ได้รับการปรงุงแต่งตัดเชื้อได้เสร็จแล้วก็อันนี้โวหารกถาสมมุติกถาเรียกบุคคล น, นี้ว่าเป็นอรหันต์แต่จริงๆนี่ก็คือขันห้าที่ถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ก็ต้นไม้ต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะเพราะสังขารทั้งหลายที่ที่ไม่มีปฏิที่ไม่มีเชื้อไม่มีเหตุถ้าดับเหตุเสร็จสังขารทั้งหลายก็ถึงความสิ้นสุดหรือว่าถึงความดับลง พันแต่ว่าปุตุชนทั้งหลายก็ยังสําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัตว์พัะอารหันบางกลุ่มก็คือสัตว์บางบางพวกถ้าถือว่าเป็นสัตว์งั้นสัตว์ตายแล้วอถ้าถือว่าพระอรหันต์คือสัตว์ด้วยอํานาจส ก, กายทิฐิเราจะคิดเลยว่าท่านเที่ยงหรือท่านศูนย์ถ้าอยู่บนพื้นฐานส ก, กายทิฐิเนี่ยจะจ ะ, จะคิดเลยว่างั้นพระอรหันต์ตายแล้วก็ศูญย์สิหรือพระอรหันต์ไปอยู่ในดินแดนที่เป็นอมตะอันนี้ทั้งคู่ก็อยู่บนพื้นฐานของ สกายทิฐิทั้งหมดเลยถ้าถือว่าเที่ยงก็สกายทิฐิถ้าถือว่าศูนย์ก็สกายทิทิถ้าถือว่าเที่ยงกลุ่มสัตตะิฐิถ้าถือว่าศูนย์ก็เป็นกลุ่มอุเฉทติทิปัญคําว่าอรหันเนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นอรหันล่ะก็คือขันห้านะที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้จะเกิดเพราะปัจจัยทําให้เกิดถ้าถ้าดับปัจจัยได้หมดแล้วเนี่ยนะ บอกว่าทุกมีอยู่แต่ผู้เป็นทุกนี่หามีไม่ทุกขจะนี่มีอยู่ใช่ไหมแล้ะใครคือตัวทุกล่ะไม่มีเหตุให้เกิดทุกมีอยู่แต่ผู้สร้างเหตุหามีไม่ความดับทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้ใดดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้ใดปฏิบัติอันนี้คือคือความเข้าใจในระดับสูงเขาเรียกว่าสุญญตาว่างจากสัตว์แล่ บุคคลแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอันนี้ก็เลยทงไปอีกเขต้องพยายามทําความเข้าใจให้เพียงพอไม่งั้นเราทั้งหลายก็จะอยู่บนพื้นฐานแห่งส ก, กายทิถิถ้าอยู่บนพื้นฐานแห่งส ก, กายทิถิก็ถือว่าเป็นความผิดและความพลาดอันนี้ก็หมายถึงว่าขีนางปุระนังนวัง